ประเทศพื้นฐานคือเรื่องธาตุในฝันพื้นฐานเพรคนเราทั้งหมดมันเกิดจากธาตุโลกทั้งหมดที่ตั้งขึ้นมาก็เกิดจากธาตุนี่นั้นจริงจําเป็นที่สุดที่จะต้องพูดถึงเรื่องพื้นฐานถ้าพูดถึงเรื่องทือพื้นฐานแล้ว ต่อไปยังจะพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปถ้าห า, ไากไม่รู้จักพื้นฐานเช็ก่อนแล้วก็ลืมลืมตัวของเราในทราบจะเอาอะไรมาเป็นหลักฟังเทศอยู่นีสก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเป็นหลักปทิบัสก็ไม่ทราบจะเอาอรมาเป็นหลักมันต้องจับหลักฐานได้เสก่อน คิดดูมนุษย์ทั้งหลายก็ดีโลกทั้งพวงหมดที่ตั้งขึ้นก็ดีมันต้องตั้งมาจากธาตุส่ธาตุสี่นเป็นรลักฐานของธาตุทั้งหมดพูดงนี้อาจจะไม่เข้าใจก็ได้บางคนเห็นว่าเป็นคนช่ให้ทิ้งซะก่อนองว่าเป็นคนนงพูดของจริงคือว่า ธาตุสี่เป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นสงฆ์ทั้งหม ด, ดต้นไม้ภูเขาสราพัิ่งทุกอย่างทัศ ส, สาราจริงทั้งปวงหมดมันต้องมีธาตุสี่ออกอยู่ธาตุสี่เท่านั้นธาตุสี่นี่ตั้งขึ้นเป็นหลักแล้วแั้วก็แต่จะาพาดไปสามเรื่อง มีรูปร่างลักษณะหน้าตาต่างกันนีรูปพันธุ์ต้นฐานต่างๆกันมีอาชีพต่างๆกันมีความเป็นอยู่ต่างกันเข็นผ้าแต่ไปตามสภาพตามเรื่องของให้เข้าใจว่าธาตุสี่เป็นตฐานของจริงของมวลธาตุที่กวงกวงมาก ท่นอธิบายว่ากู้ว่องหลวงมากที่สุดแต่ว่าท่านอธิบายนั้นก็ไม่ใช่ออกจากอื่นใด ค, คือของเป็นจริงนั่นเองท่านมาสมุดบรญญัติขึ้นแต่มันเป็นจริงยังเรีย ก, กว่าบัญญตัติเรีย ก, กว่าสมุดถ้าหากว่าท่านไม่สมุดบรญญัตินั่นก็เป็นอยู่อย่า ง, างนั้นแหะ มันเป็นสภาพ ต, ตามเไปมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเรียกจะเลยเป็นเรื่องยืดยาวไปอย่างตาก็เรียกว่าธาตุหูก็เรียกว่าธาตุจมูกนี้กายใจก็เรียกว่าธาตุาเห็นรูปเรียกว่าสัมผัสรูปก็เรียกว่าธาตุหูยินเสียง นั่นเสียงนั่ก็เป็นธาตุเหมือนกันการได้ยินซื่งสัมผัสรูปขึ้นมาก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันจมูกถูกกิ่นกลิ่นนี่นก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุความสัมผัสรูปตัวรูปขึ้นมานั่นก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันกายแลจิตสัมผัสเสียงนั่นก็เรียกว่าธาตุความรู้สึกนั่นก็เรียกว่าธาตุ เลยยืดยาวไปเราเรียกว่าห้าสิบแปดคือมันสามสิบคือมันแต่ละอันละอันมีสามอย่างเท่ากันรวมเป็นแปดในรวมเป็นหกนำไปที่แปดอันนี้เป็นของจริงถ้าหากว่าท่านพูดตามหลักอนั้นถ้าไม่พูดก็เป็นของจริงอยู่ตามเดิม จึิงว่าจริงทั้งสวงมดจะพูดกับเป็นย่อย่างนั้นไม่พูดกับเป็นย่อย่างนั้นเราไม่ควรที่จะคำนึงคิดถึงของมานั่นก่อนในเมื่อเราภาวนาทำสมาธิภาวนาทิ้งเสียัญสมมุตจะทิ้งเสียจิตมันเข้าถึงสมาธิภาวนาแล้ว เลยไม่มีชื่อนั่นแหะของจริงของมีชื่อนั่นแ่ะเป็นของจริงของมีชื่อนั่นเป็นของถึงสภาพของเดิงตัวของเราให้ทิ้งซะถึงก็มีตนมีตัวใหกระทิ้งซะก่อนในการที่จะพิจารณา ถาางั้นไม่เห็นท่านเห็นถือเป็นตนเป็นตัวจะไม่เห็นธานทิ้งออกซะจะไมมีในตัวของเราคือไม่มีในจิตนั่นเองหมดธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีในนั้นไม่มีในจิตจึงจะเข้าถึงของจริง ธาตุตีคือสิ่งที่แข็งแข็งขนขนอะไรก็เอาเถอะึ้นมันแข็งมันคนในตนในตัวข อ, อ, อ, อ, อ, อ, องเราก็เอาใช่เหมือนกันนอกตนนอกตัวก็ใช่เหมือนกันไม่ใช่มีแต่ในตัวทีแปดเท่านั้นที่แปดอย่างเท่านั้นนอกตัวของเราเหมือนกันว่าเป็นธาตุแต่เท่านั้น ธาตุดินนะครน้ำนะันธาตุดินนี่แหละมั น, น, น, น, ปนแปรสภาพไปความเขร่งแข็งขอนคนนะที่มีลักษณะอาการต่างๆไปจะเป็นรูปคนกระจ่าง จะเป็นรู ป, ปรัดตาลจริงกับตามต้นไม้ภูเขากับจำตลอดถึงอาหารการกรินทุกจริงทุกส่วนข้าต้มข้านมเนื้อปลาแดนต่าง ม, มดอยู่ในผาาของธาตุินนั้นที่มันแข็งแข็งคนๆที่มันเป็นกรอจับได้เรียกว่าธาตุินธาตุน้ำแลกัน ที่มีอยู่ในตัวของเราไปตางที่อยู่ในนอกจากตัวของเราก็ตามที่มันเลเหลวที่จับถูกต้องไม่ได้ที่มันเหลวมันจับไม่ถูกมันเน่ยภายนอกเอาภายในของนั้นกันจเจ็บแปลไภาพเป็นน้ำอะไรก็เอา น้ำส้นน้ำหวานน้ำน้ำแดงตามตามเถอะน้ำปูน้ำปลาอะไรก็ชังเป็นธาตน้ำทั้งนั้นธาดไปอย่างแล้วยิบไม่เห็นยิบไม่ได้เลยทีเดียวที่มันรบอุ่นบางทีก็ร้อนบางทีก็พองอุ่น วันที่ก็ถึงกับไม้บ้านไม่เรือนไม้ครูไม้คนไม่เหมือนแต่ธาตุไฟนี่แตกต่างกันมม้บางน้อยบางอยู่ในตัวของเราก็มีอยู่ภายนอกต้นไม้ภูเขาก็มีในดินในหยา่มามีวัดถ้ามีธาตไฟของนั่นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องมีกองอบอุดเป็นเคื่องหล่อเรี้ยงถ้าหากคนเราไม่มีเธาตุไฟก็ตายคือคนตายคนเย็นเไม่ว่าคนตายธาตุลมก็มาพร้อมกับเนยกับธาตุไฟธาตุลมมีในที่ใดธาตุไฟก็มีในที่นั้นต้นไม้ภูเขามีเหมือนกัน ถาลมถ้าไฟมีในนั้นมันซึมซาบอยู่ในทั่วพื้น่างกายของเราและต้นไม้ภูเขาเราค่ะ้ารกทุกสิ่งหยินหยาดถ้าไม่มีลมไม่ไฟที่ไหนไม่จะนำอาหารไปหล่อเลี้ยงได้นำอาหารไปหล่เลี้ยงถึงยอดถึงใบมันแต่ละอนมัขึ้นไปถึงยอดถึงใบ ธาตุลมนั้นนีลยธาตุไฟนั่นแหละขึ้นไปยังเจริญงอกงามเติบโตขึ้นโดยลดับถ้าหาดธาดลมธาตุไฟขาดไปมันจะเหี่ยวแห้งไปกับถึงกับตายคนเหล่านั้นไม่ใช่คนหรอกแท้ที่จริงเป็นกองธาตุต่างหาก ถ้าเจะอเข้ามาประมัยคนเรานี่เหมือนกนก้กอนดินก้อนหนึ่งปิ่งไปทั้งบนแผ่น้นแผ่นดินนี่แหละไปแทบทุกแห่งทุกคนปิ้งอยู่อย่างนั้นนก้อนดินไม่ใช่อะไรหรอกก้อนดินทางก้อนคนเราถ้าเห็นเป็นก้อนดินแล้วนั้น คนเราจะไม่เกิดชิดทีมันนะยังไม่ถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นใหญ่เป็นโตรหรือว่าตนเป็นน้อยเป็นหนุ่มหรืออาจจะเป็นเด็กเป็นเล็ ก, เ ป, เ, ลกเป็นสาวอะไรต่างๆไม่ไม่ถือนะความหนุ่มไม่มีความสาว ม, มีใหญ่โตมีเด็ ก, เ ล, กเล็กไม่มีเสมอภาพกันหมด คำ น, นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราที่เจอนาอย่างนั้นจึงจะเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงถ้าไม่เห็นอย่างนั้นยังถือตัวถือตน ถ, ถือเขาถือเราอย่างนั้นแล้วล้ำไปอาหาความโกรธเกิดขึ้นมาควงมเกลียดควมชั่งเกิดขึ้นมา มันตัวเกียตัวโกรธตัวช่างขนาดตัวใจมันไปถือมันเข้าไปถือมันไม่ไม่เห็นตาเป็นจริงถ้าเห็นตาเป็นจริงแล้วไม่ถือมันเข้าไปเห็นแนละ้วไม่มีถือกันเลยโดยเป็นธรรมถือตนที่ตัวไม่เป็นธรรม คือทิฏฐิมัน่าไม่เป็นธรรมถือเขาถือเรามาเป็นความธรรมท า, า, างการมันการน่เป็นธรรมเลยธรรมแท้จะเห็นเป็นสัจธรรมอย่างท่านพูดทึ้งเรื่อง อ, อธิยถา ป, จ, ปจิยญ์เจะเวกตอ น, นยะถาปจิญญง อย่ามาทาตุพเจะเวกับอะไรนั้นนี่จัดโตอย่างอาหารการกินก็นดีได้ผ้าผ่อนตั้งหนุ่มของผมก็ดีที่อยู่ที่นอนอาศัยก็ดียุกยาเฮสตัดต่งางๆที่เราอาศัยอยู่นั่น อาศัยสัตว์าทวธาตุอาศัยธาตุเฉยๆตัวของเราเนี่ก็เป็นธาตุปัญญาชาติปัญายาาทั้งสี่ก็เป็นธาตุไม่ใช่สัด์ไม่ใช่บุคคลตัวตนนัวเขาอะไรุดโยเนของว่างเปล่ามันก็ว่างจริงไม่มีตัวไม่ตัว ไม่ใช่สมและเยื่อฉวมก็ ว, ว่างไว่างจากความเป็นตนเป็นตัวตนอันนั้นวัตถุนั้นมีอยู่แต่ว่าอาวัตถุนั้นมีอยู่ไม่ว่างแต่มันว่างจากตนวของเราการพิจารณาถึงธาตุมนุษย์ของเราอยู่ด้วยกันนีือดเือดเหมือนกันกพิจารณาอย่างนั้น เห็นเป็นัตสัจวะธาตคือว่างจากตัวตนมันก็สบายอยู่กันได้ความสุขสงบนศาศาั่นเองสายอิษยาเบียดสีซึ่งกันและกันถ้าตั่นจะเบียดสีอะไรก็เท่ากับเท่ากันเลไม่มีค่ามีแกงกัน มีทุบมีต่อยอกันให้ต่อยแล้วท่าต่อยท่ามันก็นแค่นั้นไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเจ็บเป็นปวดไม่ให้แตกเป็นดักมันก็นลงมาเป็นดินทันน์สลายก็เป็นดินของเกา่ากรเบิดกว้างกับขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเกิดใหม่มเก่าดินของเกา่าเอามาเกิดไปดินน้ําไปหลอมของเก่า มันเกิดเป็นตัวเป็นตัวเหมือนกับของเก้าแล้วนะ่ะแต่ร้ายดับส่วนไปแต่ข้องเก้าอ่นะไปไปเป็นดินน้ำไปลงเมืองเก่านะมันกลับมาเกิดเป็นรูปเป็นร่างเมือนกับมันเป็นตัวเป็นตัวเรียกว่าเกิดที่จะนาธาดอย่างนี้จึงไปเป็นธรรมถ้าหาไปถึงธาดเมื่อใดแล้วยังอยู่เสีก่อน แท้ที่จริงมันเป็นธาตอยู่แล้วแต่เราพิจารณาไม่เห็นเราไม่เห็นต่้งหานควราะไม่จริงเป็นธาตอยู่แท้ตอนนั้นจริงว่าแต่ว่าปัญญาของเราไม่มีก็ใช่แต่ว่าเราพิจารณาไม่เป็นก็ใช่เรื่องต้นที่จะให้มันมเกิดผลรุนอย่าไปทิ้งสมาธิภาวนา ฮัตสมาธิมันแน่วแน่เต็มที่ทุกคนยังค่อยพิจารณาอันนี้พิจารณาสมาธิกำหนดสมาธิหัตสมาธิอต่นีน้นิดหน่อยก็อยากจะเพราะว่าอยากจะพิจารณาแล้วพิจารณามันก็ไม่ชัตหรอกสิขอย่างที่ว่ามันนี่แหละเห็นอยู่จะชี้ให้เห็นอยู่ยมีอยู่จะชี้ให้เห็นว่ามีอยู่แต่ไม่มีไม่เห็น มันก็หมดวสมันก็เหลือวิสัยกานสมาธิพาหนาแน่วแน่เต็มที่แล้วนั่นจะไปไหนของมันอยู่ในตัวมันเห็นเป็นจริงอยู่อย่างนี้เลยเห็นทามเป็นจริงนี่นองค์เทศสนาวะอะไรเงี้ยถ้ า, าพุทังสมาปยายนับทธบัง มันเป็นจริงอย่างไรเห็นตาเป็นจริงนะมันเป็นจริงอย่างว่าเนี่ยททั้งสี่มัเป็นอย่างว่านี่ยมันเป็นแต่ไหนแต่ไหนมามันก็เห็นตาเป็นจริงนีเมื่อหัดสมาธิแน่วแนเตมที่มันเห็นเองมันออกอย่าไปเดือดร้อนเอ้ยเรื่องพิจารณากลัวจะไม่เห็นอย่างนั้นอย่างเงี้โอ้ยอย่าไปกังวลเกี่ยวข้องกันด้วย มันอยู่นี่นี่อยู่ในนี่แหละเห็นในนี่แหละไม่จะเปเห็ น, นที่อื่นหรอกชัดคือมันในที่นี่เลยทีเดียวพิจารณาธาตุที่ว่านี่นะั้นบางทีบางคนแห่งพิจารณาให้กลายนเป็นธาตุท้งมดเพราะจิตรวมลง เป็นก้อนดินทั้งก้อนกระไดเขามีพิจารณาเป็นธาตุน้ําแค่พิจารณาธาตุมีแหละน้ําเลยแหละในตัวของเราเนี่ทั้งหมดเลยกลายเป็นน้าทั้งหมดก็มีพิจนาธาตุไฟธาตุลมก็เหมือนกันอาการเชนนั่นเรียกว่าปฏิภาคมันเกิดปฏิภาคชนิดนี้ อยู่ในพวกชานก็ดีอยู่เป็นประโยชน์อยู่เล็กน้อยเมื่อเราเห็นชัดเวลามันจะเห็นนี่ยมันเห็นชัดในตนเองคนอื่นก็ไม่บอกคนอื่นไว้ไม่รู้ด้วยมันเห็นชัดและเมื่อมันจะเป็นมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นมันก็เกิดขึ้นมาเองจะเรียกว่า สัญ้นญาก็ถูกจะเรียกว่าเกิดจากความเพ่งก็ถูกสงบระงับไปพักหนึ่งเช่นเห็นพิจารณาเห็นธาตุดินหรือเห็นเศนของเปลือยปฏิกูลโลภโขหมดทั้งตัวมีแต่นอนบอลอยู่ทั้งตัวเน็นเน่าเตะ เหม็นกิมขึ้นมาในทันทีสันใดนั่นเหม็นโดยใจในขณะที่มันรู้ของมันเป็นเง้นเรียกว่าปฏิภาคปฏิภาคนวิมิตนั่นคนอยากจะให้เป็นระเกินมันสนุกสนานมันเพลิดเพลินท่านเห็นเนี้ยก็เบื่อจะอิจะเอียน หน้าเกียดหน้านายเกียดชังแม้แต่อยู่บ้านอยู่เตือนกับลูกกับเต้าก็เบื่อหน่ายกับลูกกับเมียก็เบื่อหน่ายกับลูกกับผัวก็เบื่อหน่ายหมดแต่บางครั้งบางข่าวเท่านั้นแหะแต่ที่หลังมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับเป็นของเติมขึ้นมา รูปสดสวยงดงามรูปจยิบดีๆอะไรต่างๆก็ลกลับดีขึ้นมากรับชอบกรับรักขึ้นมาอีกสู้เราพิจนารณาตามเป็นจริงนี่ไม่ได้พระองค์เนี่ยให้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรคือให้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมือชัดเจนดีกว่า ไม่ต้องเกิดปฏิภาสเห็นเวลาไหนก็เห็นเหมือนเก่าเห็นอยู่ตลอดเวลาเราแพ่งพิจารณาเห็นเป็นดินเราพิจารณาเห็นเป็นดินน้ำไฟลงตรงเราทั้งหมดพระครรภ์ได้ธาตุสี่สิ่งน้ำไฟลงทั้งนั้นคล้ายๆตรงนั้นกัน ดู่ด้วยธาตุสี่น้ําไปลมไปมาก็ด้วยทาตุสี่น้ําไปลมแต่นั่งแกนอนจะเดินอะไรก็ยืนเดินอะไรก็ทาตุสี่น้ําไปลมเนื้ออาหารที่เรารับทานก็ทาตุสี่น้ําไปลมผูดทานก่อนทาตุสี่น้ําไปลมอาหารที่เรารับทานก็ทาตุสี่น้ําไปลม ครั้อนั้นเหมือนกันแต่ว่าเอาอิตตุปุณโภอโเข้าพอบปูปปปในตัวของเราถ้ามันโวมันเจริญขึ้ น, นอาหารชิ้นทุกชิ้นทุกส่วนที่ยรรับทานแต่เห็นอย่างนี้เรียกว่ามันเห็นชัดเจนด้วยสมาธิภรวนา ในเมื่อมันจะแจกกระดาบแล้วก็เห็นชัดอย่างนั้นเป็นจริงทุกเช่นทุกส่วนส่วนปฏิภาสไนมิตเวลาจะเป็นเวลามันจะแจกกระดาบไม่เป็นแบบเป็นเวลาปกติดีๆนี่แหละจึงว่ามันไม่ชัดเหมือนกับสมาธิภาวนาของเรา ถ้าเห็นสิ่งอย่างนั้นแล้วมันอิ่มพอใจเต็มตื้อในตัวของเราเห็นคนธรรมดาเนะี่ยเห็นเห็นคนธรรมดาเนะี่ยเห็นแต่เห็นเป็นข้าศจิตใจมันของมันไปเห็นภายในมันไปเห็นของละเอียดภายใน ไม่ได้ดูภายนอกทันจิตมันรวมเป็นสมาธิพนาแล้วมันแท้จรินดูภายนอกมันทำไมไม่เฉยภายนอกมันดูภายในของมันของต่างหาเป็นชาติต่างเนจริงภายในเรื่องสมาธิางเป็นของสาคัญที่สุดทําสมาธิให้แน่วแน่เต็มที่แล้วอย่าให้มันทิ้งอย่าได้ทิ้ง เราไปใช้ไดมอดทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นผู้ย่างคนเี็นัศนาเรื่จรสิ่งเห็นจริงใน้วงมดมันต้องสมาธิแน่วแน่ในภายในมันดูภายในไม่ออกมาดูภายนอกของนั้นเป็นของแปลกพูดมาได้แต่มันเห็นด้วยใจของตนเอง